เดขอตรวจแกลบ้านก่อเบอร์20เป็นยังไงเวลามาอขแล้วนมีรรจเื่องตัีเบอร์กติวลาทำากกอวาก็ีสอยู่สเียที่จะ อะไก็ได้รู้กายรู้จิตมันมีกายสายกายสายจิตในยี่จุดตั้งต้นนั้นนีาแต่พอสติเกิดแล้วเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตสติมันไปรู้เองบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตไม่ต้องจงใจนี่ที่จงใจหัดนั้นมันจุดตั้งต้นขึ้นมาตั้งต้นเานนนาราเปเริ่มมาจากกายอ่ารูดด้กายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไป พาใจลอยแย่แต่ก็รู้สึกตัวดมารู้กายพอไปพอสติมันเลยเกิดขึ้นเองนะไม่เลือกแล้วบางทีสติก็รู้กายบางทีก็รู้จิตอารมณ์อะไรเด่นสติก็ไปรู้วันนั้นนะอย่างกิเลสมันเด่นขึ้นมานะมัก็ไปรู้กิเลสเห็นกิเลสทั้งวันไห ม, มนี่าจะหลับ่ได้แล้วเห็นน ก็ใจแต่ก็เพิ่มน้ำมันใช่ไม่ห้ามนะไม่ใช่ฝึกไพื่อจะห้ามฝึกเพื่อรู้ความจริงว่าจิตใจเป็นของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดูไปเห็นความจริงมันขอดถอนความเห็นผิด ปฏิบัติเนี่ยมันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราที่พอใจเนี่ยเราจะยึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดร่างกายนยึดไม่เหนียวแน่นเท่าจิตใจครูทีเจ้าส่งสอนบอกว่ากุฎูชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนศัณฑ์อื่นก็เห็นได้แต่ว่ากุฎุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา เราต้องเข้าดูความเปลี่ยนแปลงเราเห็นก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ชิอย่างปัญญาก็จะเกิดรูด้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราปัญญารากความเห็นผิดว่าจิตเห็นเราจะได้พระโสดาบันนะปัญใดปล่อยวางความยึดถือจิตได้ก็จะหมดทุระทางศาสนาไม่ทุกขอีกแล้วเพราะตุกวันนี้ที่ทุกข์มากามก็จิตมันทุกข์ ถ้าเราปล่อยวากินได้ไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมามันก็ไม่ไปหยิบฉวยเราคุกขึ้นมาด้วยมันก็หมดคุกตรงตรงที่ปล่อยวากได้ดีลครับคุณผัดไปเท่าน้ น, น, หนงหลังเนี่ยเป็นไงภาวนาเป็นไงเล่เพราะว่าอะไรนะไไี่ยเออเล่นเล่นไปดูบ่อยๆนะดูเรื่อนๆอย่าขี้เกียจ น, นะ วาไงดเป็นไงไม่สุขเลยค่ะแต่่รทำเนือนี้่าีความจิงค่ะที่พ่อพูดมาคืออะไรเรื่องของกีน ไม่ใช่สมุทัยนะกิเลสอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกุกุกิเลสอีกตัวหนึ่งมีสองมวกคือโลภะโลภะโดยทั่วทั่วไปอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกให้รู้โลภะอีกอันหนึ่งทําหน้าที่ของตัณหาความทะยานของจิตคือนี้ตัณหาที่ให้ละแล้วการปฏิบัติที่จะละตัณหาเนี่ยละได้ด้วยการรู้ทุกนะ ถ้าเไร่รู้ทุกแก้แก่รู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันก็หมดความดิ้นรนหมดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขหมดความอยากให้กายนี้ใจนี้พุ่งพุ่งเนี่ยความอยากหมดไปตันหาสุกรัตูจ้ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ ลองลองดูสติปัฏฐานฉันบอกว่าอยู่ก่อนที่สูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่มีนะที่สูตทั้งหลายห้ามมีราคะไม่ได้สอนอย่างนี้นไม่ได้สอนบอกว่าที่สูตทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคาแล้วให้ละเสียไม่ได้สอนนะ คือการทำนิพัษษานากับสมถะมีวัตถุประสงค์ต่างกันสมถะเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วหาทางละมันเสียหาทางจัดการมันให้มันสงบแล้วจิตจะได้สบายวัตถุประสงค์พานิพพานาเนี่ยกูสนหรืออกูสนเกิดขึ้นมีหน้าที่ตามรู้ไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ ต้องการให้เกิดปัญญาไม่ใช่ต้องการละกิเลสแต่ว่าพอปัญญาแจ้งหมดความยึดถือในกายในใจความอยากหรือปัญหาจะทุกระสนมัตใช่ใช่พะนั้นระวังนะส่วนมากคำสอนมันจะปนกันระหว่างสมถธิกับวิปัสสนาหลายคนเลยบอกว่าเจอกิเลสให้ล่างไปเลย โสดาเกิกดแล้วโกรธเนาโกรธเนาะหรือพึ่โธรพึ่โธให้ไหนโกรธหนได้แล้วดีมีความตุกนั่นสมถะวิปัศน า, าถ้าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นก็จะเห็นเลยความโกรธนั้นมีธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนด ดีแล<ด>้ว ด, ดมาเรียนกับหลวงพ่อเขามาหัดรู้สภาวะไปไม่ใช่มาหัดอย่างอื่นนะหลายคนเลยมาฟังแล้วไม่เข้าใจพยายามฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องจะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องไม่ต้องมาฟังที่นี่หรอกเอาซีดีไปฟังที่บ้านก็ได้ถ้าตัวเรามานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยมาเรียนสิ่งซึ่งไม่มีใครเขาสอนกันมาหัดรู้สภาวะไว้จิตเหลอไปก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเคยรู้ มันตอนนี้คนมาจากยิวพุทธนะผู้ใหญ่ของยัวพุทธคนชื่อจนันทาณิศจ า, านทาณิศทีแรกหลวงพ่อก็บอกว่าเอา้าไปเรียนไม่รู้เรื่องเน่าทีดีไปฟังไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้จนันทาณิศแกคัดค้านบอกแต่ต้องมาพรอาจารฟังซีดีเนี่ยฟังให้รู้เรื่องแต่แกมาที่นี่แกมาเรียนสภาวะมหัศรูปสภาวะ เ, 86, เ, เบอเร์แปดสิบหกหรือเบอร์เบอเท่าไหร่ได้ แต่สิบหนั้นอ่านได้สองฝั่งเก้าสิบแปดก็ได้ <c oughs> ใจลอยนะทีเนี้ที่ลืมตัวไปคุณ ผ, ผู้ชายที่ใส่แบ้นเนี้ไปดูเขาสุ้เม็ดไหมพอเราไปดูเขาเราจะลืมตัวเราอีกนี่หัดรู้สภาวะนะอันนี้คือหลงไปดูหัดรู้ไปคุณเบอร์ยี่สหกสังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ยฟังหลวงพ่อฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดแต่พอตบตาหลวงพ้งงพอปุอ๊บรีบเปลงเลยคุ้นสุด เนตใจรีบสํารวมปุ๊บขึ้นมาให้รู้สภาวะหัดรู้สภาวะไม่ใช่หัดยังรีบทำไมต้องหัดรู้สภาวะวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้สภาวะต้องมีสภาวะคือรูปนามรองรับแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นไตรักษถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาทําไปเพื่ออะไรเพื่อล้าความเห็นผิดในเบื้องต้นนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ารูปนา ม, มนี้เป็นตัวเรา ทศาสนาในเบื <bulun> mm ้องปลายทาไปเพื่อล้างความยึดถือในรูปนั้นสองสเต็ปนะเริ่งต้นล้างความเห็นผิดคนที่ล้างความเห็นผิดได้ก็เป็นพระโสดาบันคนที่ล้างความยึดถือได้เขาเรียกว่าพระอรหันต์ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมเห่ห่อพอต่อไปรู้จหงมตองฟังถึงว่าความยนีนี่หลกา ไม่หยุดไม่หยุดคือท่านเมื่อไหร่แต่เพราะว่าสติตัวจริงไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดนะปู่สนดับทันทีนะโดยที่เราไม่ต้องดับมันแล้วปู่สนกาปู่สนไม่เกิดร่วมกันเหมือนความมืดกับความสว่างไม่เกิดด้วยกันนี่ทําไมเวลาปัญหาเกิดเราไปดูมันเออเราก็รู้อยู่นะว่ามีปัญหาแต่เราสู้ไม่ได้ถูกมันลากอกไปเพราใจเราเนี่ยยังไม่เป็นกลางกับปัญหา เราเห็นตันหาเราก็ไม่ชอบมันหรือเราจิตใจเราเกิดโลภะขึ้นมาเราอาลัยอาวรเราคิดถึงอารมณ์ที่ตันหาจะลากเราไปดูลากเราไปฟังลากเราไปสัมผัสเรายังรักใคร่ในอารมณ์มันนั้นให้รู้ทันลงไปที่ความรักในอารมณ์นั้นครับต้องทาลายต้นต่อของมันนะดูให้ถึงต้นต่อของมันงั้นอย่างบางทีขับรถอยู่คนปาดหน้าโกรธขึ้นมาควรจะโกรธนะถ้ามันจะโกรธอย่าไปห้ามความโกรธ ถ้าห้ามเราเก็บกดแต่ว่าพอโกรดขึ้นมาคนทั่วๆ่วไปจะทําทไงคนทั่วไปจะไปดูไอ้คนที่มาปาดหน้าเราหรือจะได้ายามหาทางเอาคืนหรืออย่างน้อยทําอะไรไม่ได้กดแตรด์ดคนทั่วทั่วไปจะไปดูคนอื่นนักปฏิบัติพอความโกรธเกิดขึ้นเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ดูเขาดูตัวเองนี่พอความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสติเราลึกรู้ได้ถูกต้องความโกรธจะดับทันที แต่บางคนเห็นความโกรธอยู่จนโตได้ความโกรธไม่ดับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเห็นก็เห็นแล้วมันไม่ดับเพราสติไม่เกิดจริงหรอกขณะนั้นจิตเกิดโทสะอีกชนิดหนึ่งเกิดโทสะตัวใหม่ตัวแรกเราไปเห็นเขาปาดหน้าเราไม่พอใจเกิดความโกรธนี่โทสะตัวที่หนึ่งโทสะตัวที่สองเนี่ยพอเราสติไปเห็นโทสะตัวแรกแล้วเราเกลียดมันเกลียดมนันนี่โทสะตัวที่สองเราอยากให้หาย อยากให้โทสะนี้ดับอยากกิเลสไม่ดับนะเพราะในขณนะนั้นจิตกําลังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่มีสติจริงแต่ถ้าเมื่อไรมีสติจริงกิเลสจะดับ ท, ทันทีฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดไปเรื่อยๆรู้สึกไหมให้คอยรู้ทันตัวเองเราไปฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดให้รู้เรื่อยๆคนทั่วๆไปรู้แต่เรื่องที่คิดนักปฏิบัติรู้ว่าจิตจิตเหมือนอย่างคนทั่วไปอะสูบก็าปาดหน้า ก็รู้ว่าไอ้คนนี้ปานหน้าเราไอ้คันนี้ปาดหน้าเรานักปฏิบัติรู้ว่าจิตโกรธจิตเราไปคิดคนทั่วๆไปก็รู้เรื่องที่คิดนักปฏิบัติรู้ว่าจิตไปคิดเหมือนที่รู้ว่าจิตไปโกรธคนทั่วๆไปไปดูสมมติไปเดินดูดอกไม้ดูสวนดอกไม้เห็นอะไรเห็นดอกกุหลาบเห็นดอกกล้วยไม้อะไรนักปฏิบัติเห็นอะไรเห็นดอกกุหลาบเห็นดอกกล้ยไม้เหมือนเขาเห็นอะไร แต่ใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าใจชอบนี่ต่างกับเขานิดเดียวคือแทนที่จะมัวแต่รู้รูปเสียงรสียงรสรสวัตถารเรื่องราวที่คิดก็หันมารู้เท่าทันใจของเราที่ยินดียินร้ายเมื่อมีการกระทบอารมณ์ต่างๆขอ ง, ง, งจมูกลิ้ก่ใจต่างกันนิดเดียวเท่านี้แหละแต่นิดเดียวนี้นะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนคลิกคว่ำคลิกห่างนะ้ปรับท่าเลย เราเคยแต่ว่าหลงไปตามกิเลสบ้างต่อต้านกิเลสบ้างเราไม่เคยคุ้นเคยที่จะรู้กิเลสตามความเป็นจริงรู้สึกหมวั น, นเวลาบางเวลาใจก็ถูกกิเลสลางไปคล้อยตามกิเลสบางเวลาอยากปฏิบัติก็พยายามไปสู้กิเลสถ้าไม่คล้อยตามก็ต่อตา้านเี่สุดต่งอยู่สองฝั่งนะถ้าไม่ยอมแพ้ไปเลยนะ่ยก็ตอบสู้ตลุกไปเลยมีทางสายกลางนะรู้ตามที่เขาเป็น เรามองกิเลสเกิดขึ้นในฐานะที่เหมือนกับสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจชั่วครั้งชั่วคราวไม่เกลียดมันนะเราจะเห็นทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจไม่เฉพาะกิเลสรู้สนด้วยความสุขความทุกข์ด้วยทุกอย่างที่ผ่านมาเมื่อแต่ผ่านไปดูอย่างนี้ดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่ได้ดูเอาดีนะไม่ได้ดูเอาสุขไม่ได้ดูเอาสงบหลายคนปฏิบัติสมมุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบ มันก็ดีวันเว้นวันดีบ้างชั่วบ้างสุบบ้างไม่สุขบ้างสงบบ้างคุ้งต้านบ้างตลาดชีวิตถ้าปฏิบัติเอาเอาดีเอาสุขเอาสงบก็วนเวียนอยู่แค่นี้แต่วิปัสสนาไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบวิปัสสนาฝึกเอาความจริงฝึกให้เห็นความจริงเลยใจนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะอย่าไปคิดทําให้เที่ยงเลยใจนี้ใจนี้เป็นทุกข์อย่าไปหวังว่ามันจะสุขเลยใจนี้ใจนี้เป็นอนัตตาอย่าคิดว่าจะบังคับได้ พอเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเงปนทุกเป็นนะตอนนี้ใจจะปล่อยวางความพ้นทุกข์เกิดจากการปล่อยวางความพ้นทุกข์ไม่ใด้เกิดจากการไปบังคับจิตให้มันมีความสงบ ข, ขึ้นนักปฏิบัติเกิดทั้งหมดคือนัก บ, บังคับนะบังคับกายบังคับใจเช่นไปฝึกลมหายใจก็บังคับการหายใจของตัวเองฝึกดูท้องก็ไปเพ่งจะเดินจงกรมก็บังคับการเดินควบคุมทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างไปหมดเลยเราคิดว่านั่นเป็นสิ่งดีก็ดีเหมือนกัน ดีแบบสมถะนี่ปรัชนาเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราแล้วไปบังคับมันทําไมไปดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปบังคับมันไปแทรกแตงมาด้วยกันทสามคนอิป mm hmm. เอาเป็นนักรบน่ยนักรบสัพตวัตรไปฝึกแบบไหนกันไปปรึกยเอหม mm hmm. มาต่มาพอแล้วคนเอกลับมานเรมัมีีกายกับมเรเาเท่าที่ได้ดีกว่าไม่ได้เงินนถหลงกันทั้งโลกจริงๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวแต่ละคนตื่นเีงเฉพาะร่างกายนะจิตใจไม่ตื่นหรอกจิตใจไปคิดคิดสันฝันทั้งวันรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ความจริงนะ เืองราที่คิดอย่างเราคิดว่าเราเป็นนายกแทนทักสินก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆยังไม่ได้เป็นเราไม่ได้ไปเลือกตั้งถ้าเรื่องอาจจะได้ก็ได้ไอ้ความคิดไม่ใช่ความจริงนี้อยากรู้ความจริงรู้เราไปที่กายที่ใจเนืใจกับใจเรื่องของจริงๆแต่การรู้ไม่ใช่การจงใจจ้องไว้แบบนี้รู้สึกอะไรทาให้มันทื่อๆขึ้นมาไม่ทําอย่างนี้นะรูธรร้ธรรมดาธรรมดามัไปแปลกล้งบังคับใจให้ทื่อๆขึ้น คนที่ใส่แว่นรู้จักใจลอยยังใจลอยก็คือขาดสติเลยภาษาพราะเรียกว่าขาดสติเห็นไหมเราใจลอยทั้งวันคือเราไปคิดทั้งวันบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องที่คิดแต่ว่าไม่ว่าจะรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดนะั้นก็หลงเหมือนกันแต่ว่าคิดไปเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรนี่หลงสุดีดเลยอย่างหีึรู้แต่เรื่องที่คิด ทำไมหลงเข้าเรียก ว, ว่ารู้เรื่องที่คิดก็เรียก ว, ว่าหลงเพราะขนาดนั้นเราจะลืมกายลืมใจเลยเ๋ยเวลาเรานั่งคิดไปคิดไปเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้จิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าหลงตรงมานนี่นะจขกอนกันิวมันี่ยน้นเลยอิ่ ครูอาจารย์เคยสอนนะว่าจิตใจเนี่เหมือนมัวเหมือนควายท่านชอบเปรียบมิตรเพท่านกนดด้านนอกมันเคยเดินทางนี้มันก็จะเดินทางนี้แหละถ้าภาษาปริยัติก็คือมันเป็นไปตามอนุสัยอนุสัยความเคยใจ ใช้ได้เป็นการปฏิบัติอยู่ๆไ็คิดเอาเองหรือว่าเนี่ยมันคิดแล้วใจกระโจนไปถ้าไม่เห็นสภาวะมันคิดไม่ออกอย่างในโลกนี้มีใครคนที่ไม่เคยฝึกรู้สึกไม่ใจกระโจนใจกระโจนมาไม่รู้สึกหรอกมันต้องไปฝึกต้องเห็นสภาวะถึงจะรู้ว่าใจมันกระโจนดีแล้วจอยตัวแปดตัวแปดขณะนี้บังคับตัวเองอทราบไหม เรารู้ลงปัจจุบันไปเราก็ลองมาคับใจของเราเราก็รู้ทันดูไปดูลงปัจจุบันไปอันเบอรสองใช่ได้ได้อย่างเราหายใจไปหรือเราพึทโธไปพุทโทโหรือหายใจไม่ใช่เพื่อเ่าเคริม คนสมากชอบทำแล้วเอาเพิ่เมเติมื่นไหนเพิ่มบอกว่ า, าจิตสงบแต่เราหัดพุดโทโธเราหัดหายใจะใจเราสายไปแล้วก็รู้ทันใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไป็สุขใจไม่สุขรู้ทันไปเรื่องใช่ต้องเผลอไม่ห้ามแต่เผลอแล้วก็รู้ทันเพรเผลอไปแล้วต้อง บ, บิกรรมอีกตาเป็นจิตจำเผลอได้แม่ เราเผอแวบสติจะเกิดเีงจะรู้ึ่งอะไรกเผลอไปแล้วจะเผลอสั้นลงได้ด้วยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ให้มันรู้เองแค่นั้นเองจริงๆรู้รสรู้อะไรไม่ค่อยมีเนย้อยะอะไรเท่าไหร่ส่ที่สำคัญคือรู้ทันใจที่ชอบเหมือนอย่างพระเจ้าสอนรูสอนพิสูจทั้งหลาย เมื่อลิ้น ก, นกระทบกระสถความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้จิตเราที่ยินดีในรถหรือยินยินร้ายในรถดีนะตื่นบ่อยๆ ừ ừ. แต่อย่าจงใจนะจงใจไม่ดีนะทัดไปอ <één S 1> <ๆ>ือไม่รรือเกิด <c oughs> อะไรนะ ก็ีมแล้วดีอกัน็มันหายตรงเมื่อรู้ว่าโมโหนั่นแหละถ้าเมื่อไหรสติจริงๆเกิดนะโมโหหายทันที แต่ถ้าประเภทโมโหขละคาัตังดูไปโมโหไปนั้นกำลังไปโมโหใอ้ก่ามโมโหยอยู่ดีแล้วทั้งงั้นต้องขับรถบ่อยๆขับรถแล้วสติเกิดล้วก็ขับรถออกเดี๋ยวน้ำมันแทงเงนบัด อากุตรตนเกิดทั้งวันเออนดาถูกละส่วนใหญ่อาบุตรนเกิดปุตรนไม่ค่อยมีเพร่มพระเจ้าถึงบอกคนส่วนมากตายแล้วไปชุติปิไปอาบายไม่ค่อยไปสุติก็อาบุตนเกิดทั้งวันหน้าที่เรารู้บ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าอาบุตนเกิดสิบครั้ง ต้องมีกุศลสิบเ็ดครั้งถึงจะชนะมันไม่ใช่ใชนั่นไหนดีแล้ ว, ลวจริงจริงก็คือเราดูอักขุสลดไม่ใช่เพื่อรักอักขุสลเราดูอักขุศลด้วยจิตที่เป็นกขุสลดเพื่อจะรู้ว่าจิตที่เป็นอักขุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอักขุศลเกิดแล้วก็ดับมิได้เกิดแล้วดับเสมอภาคกัน bạn ơi, k sửa g h ờ i n h chi t i i i o k h n i i c h c i i i g h c cái g n mà g n đ ừ n c h ô i i i i y e c n g b i i l à cái nhà n y c ũ g k i ô Em em em m n c เพราางตาทางหูกระทบแล้วนก็เข้ามาที่ใจจะทำให้ความรู้ที่เิดเองถูกต่องไปแสดงว่าปิดฉากนาที่พอใจรู้สึกที่รงได้เรื่อยๆเรื่อยๆสยๆรู้เรื่องอื่นๆเรื่องความที่ไม่รู้ก็ทาเรื่องอื่นๆรู้เรื่องความหมายที่จริงรู้ก็จิตวิ ก็รู้ใจไปถูกละวไว้หนึ่มันยังซึนอยู่นิดหนึ่งนะตรงใต้งกับซึมมันมันจะเวียนกันช่วงหนึ่งตรงมากก็เลยซึมมันเป็นของแถมห้ามมันไม่ได้ก็เป็นกลางกับมันไปตุลเล็กตุลเล็ก แล้วไม่มีอะไรแสดงว่าทุกอย่างว่างเปล่าเป็นสุญญตา <c oughs> อะไรอะไรก็พูดให้เป็นธรรมะได้คร <c oughs> าวหนึ่งมีคนไปด่าพระพุทธเจา้ดาด่าตั้งเป็นสิบข้อเลยท่านยอมรับหมดเลยบอกพระสมณะโคดมไม่มีรสชาติท่านบอกโอ้ถูกอะไรอะไรก็ไม่มีรสสาหรับท่านเลยใจท่านเป็นกลางหมดเลยพระสมณะโคดมไม่บุดเกิดโอ้ถูกก็ อ, อีกเกง ไม่เกิดแล้วด่าอะไรไปนะท่านบอกเกิดสุขทั้งนั้นเลยมองโลกแง่ดีดีความสุขว่าไปทุกที่ตอนน้องหาใจหนักด้วยยังคงอยู่ในเพราะคอยดูแลที่ต้องการนก็พยายามคำท่จะช่วยให้เรื่องตัวช่วยดีขึ้น บางครั้งเราเาตั้งใจตั้งใจคอยูว่าเราจะรู้ตัว่างี้ตั้งใจใครก็เครียดนั่นแหละเียดก็ผิดไปละคิดตั้งแต่อยากปฏิบัติมาละไม่เต้องอยากไเป็นไนอยากไปก่อนแล้วรู้ทันอยากไปก่อนแล้วก็รู้ทันวดีพานาดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกในใจเราสบายแต่เราสว่างางี ดีเพะงงาะนที่เด<น>ินคือหลังจากเข้าไปรู้ตัวร้อยยังอยิ้การปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบเป็นของจําเป็นขนาดนักมวยแชมป์โลกมันยังต้องโชคประกอบเลยจะได้ออกหมักไว้อกโชคอะไรโชคอะไรไปเรื่อยแล้วก็ทำในรูปแบบสติจะได้เกิดไว้ถ้าเราทิ้งรูปแบบไแปบบสติก็อื่นไม่ค่อยเกิดเหมือนชคไม่ออกดีนะตอเนี้ภาวนานดี คุณเล็กก็คิดหน่อยนะเดี๋ยวต้แตลงหริดคิดไว้หน่อยมีข้อมียมขอความาที่เกิด่ะขอเรื่องการูี่ไม่น่ใจ่าจบตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันเราดูมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ไปรูปไม่ไปรับอะไรกับมันหรอก เราแค่ได้หน้ก่นใช่สิ่งที่เราปฏิบัติทำพิพัฒนาเนี่ยนะเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นต้องการเห็นแค่นี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแล้รัศดรบัารู้แค่นี้เอง อไม่เป็นไรไม่ต้องรู้การปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดน้นําแปลไม่ออกเรารู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นอ่ามันนิดนิดสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปรู้แค่นี้แค่นี้พอละไม่ต้องรู้เยะอะขอบคุณสุวรรณเนียคอย อือแล้วพอใจไหมดีใจไหมไ <c oughs> ่รู้สึกสบายดูไม่รู้ทันนะว่าพอใจ <c oughs> คือพอเวลาเราสบายเนี่ยราคะจะแทกเราจะเพื่อเพื่อนพอใจช่วงไหนเวลาเราไปไม่สบายโทสะจะแทะดังราคะเนี่ยจะแทกตามสุขเวทนาโทสะก็แทกตามทุกขเวทนา มันโมหะแท้หมดเลยเป็นไงไม่ได้มาต้องไปน่งกตองนักรนั่งพักเองนื่อยอยากยาวรู้สกอือความที่พักเพระที่าเออแบบวาทำกิการยาี่นพดมาแล้วอยู่กัอไง้พน น <um> ี่เป็นไงสงสัยแล้วก็รู้ว่าสงสัยั่เป็นควอสงสัยก็เกิดมาจุดทที่หนูพ่อพูอก็ไิอกไม่ร้ไ่ไปไหนเไม่ไปไหนเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นไม่มีไปไหนเลยเห็นไหมความสงสัยเกิดขึ้นมาที่นี่ก็ดับตรงนี้ไม่มีอะไรไปไหนหรอกีาัวอยู่ สงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วถูกเลยถ้าสงสัยแล้วไปคิดเอาก็ไม่ถูกเลยถูกกับผิดเป็นช่วงขณะจิตเทียวรู้โลกปัจจุบันได้ก็ถูกเลยไม่รู้โลกปัจจุบันหรือรู <Ừ. S 1> ้ผิดไปรู้เรื่องราวที่คิดก็ผิดใจหนี่คิดนั้นชั่วเลยรู้อย่างงี้ใจหนีแว้บรู้แว้บรู้ไปอยากให้อยูอยากให้อยู่ไหม ไม่อยากแล้วจะบ่นทำไมว่าหมีบ่อยลำ่นั่นเนี่ยไม่ชอบเลยหรอกําการให้รู้ว่าลาคาญนะรู้ไปความลำคาญเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้เหมือนกันดูทุกอย่างนะอย่างเป็นกลางทุกอย่างกําลังสอนธรรมะเราหมดจะไปเกลียดเขาความตุกความตู้ความดีความชั่วเป็นครูเราทั้งหมดลเลยขาสอนเราว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ วันใดที่เราเรียนไปจนเราเห็นความจริงแล้วทุกอย่างเกิดแล้วกะดับประคับไม่ได้นะจิตใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะมีแต่ความสุขมากขึ้นมากขึ้นก่อย่าไปเกลียดเขาเลยข้ามไปเบอร์สิบี่เดอตัวอ่อนสุดมอสบายขึ้นเรื่องมากขึ้เออดีต้องอย่างนั้นแหละแต่เดิมหัดใหม่ๆรู้สึกไหมต่รู้สึกตัวเหนื่อยหัดรู้สึกตัวเลื่อนๆเหนื่อย เผลอเไปสบายดีแต่ฝึกไปช่วงหนึ่งกลับข้างเผลอไปแล้วเหนื่อยรู้สึกตัวแล้วสบายหลวงพ่อแต่ก่อนนะไม่มีรถขับนะเห็นคนอื่นขับรถไปเราไปไหนขึ้นรถเมย์ขึ้นแท็กซี่นะรู้สึกแหมถ้าขับรถไปมันคูสบาย ม, มันนึงไปซื้อรถมาขับโอ้ิี้ขีดแท้เลยคือนถเมย์สบายกว่าขับยังไงไม่ให้มันตกถนนไม่ใช่ง่ายไม่ให้ไปชนเขา เพราะเราไม่คุ้นเคยความรู้สึกตัวเหมือนกันที่แรกเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกมันปื้นนะปื้นประทองไว้ยังไงก็ซัดสา ย, ายไปเรื่อยเหมือนัดขับรถทีแรกอะ่ะตอนถ้าเป็นรถแบบโบราณ น, นะไม่ใช่เกียร์อโอโต้ตอนออกเคลื่อนตัวนี่เหมือนกบนะตอนวิงนง่งเหมือนงูวิ่งไปเสร็จแล้วสุกทับเหมือนเขียดแต่พอขับเป็นแล้วรู้สึกไหม แค่ไม่ต้องจับพวงมาลัยมัก็วิ่งได้นี่เหมือนกันการปฏิบัติของเราพอถึงจุดหนึ่งสติเกิดเองแม้มีแต่สบายไม่ได้ฝืนดีอล้วก็ร่ากรู้สึกไม่แย่แ่งไงแย่แค่ไหนตายแต่ยังไงแวามรู้สึกว่าหนูเหเออมันไม่ใช่ตัวเราอตันเปารฟังให้ฟัง อืใช่เบอร์สิบสี่รู้สุกแล้วเอาเบอร mm. ์ยี mm. ่สิบสามั้ใจไหมรู้ใ mm. จัหมกังวลใจเอ่าเรื่องพ่อ mm. ไม่เลยนะ mm. ต้องอย่างนี้สิถ้าเป็นนักปฏิบัตินะ mm. บางคนพ่อแม่ป่วยนะจิตใจเศร้าโศกมีแต่กระแสะของความเศร้าใช้ไปใได้ mm. ต้องมีความสุก มีเบิกบานจิตใจเป็นบุญในกุศลเบิกบานนึกถึงเขาเข้าไปใกล้ๆเขาไปจับตัวเขาถ้าจะมีความสุข่าภาวนาไงใช่เหยรู้สึกว่าเหมือนกันเลยกรู้สึกว่าิงีิตเขาดูสิ่งอะไรก็เหมือนกับงานที่มีความรู้ส่อมันเป็สิ่ที่ผ่าไปผ่าไปค่ะแล้วก็ทางการก็รู้สึกว่า มีความที่สบายขึ้นจิตมัสบายขึ้นาแล้วก็เือนรู้สึกสบายขึ้นใช่ใช่ดีแล้วสบายมากเลยต่อไปกระทั่งอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเขาสบายนะอย่างหลวงพ่อนะตอนเสี่ยหลวงพ่อตายนะจิตหลวงพ่อที่เบิกบานมากเลยไม่ใช่เบิกบานว่าได้มรดกนะเบิกบานว่าโอ้นี่ธรรมะแท้ๆเลยเกิดแล้วก็ดับเบิกบานในธรรมะ งัถ้าเราภาวนาให้ดีธรรมะรักษาเราธรรมะคุ้มครองอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราต้วยดีเอเ่งเบอร์ยี่สิบห้าไม่มีตกไปข้างหลังงูนผู้ชายข้างหลังผู้ชายลึกลับที่นั่งข้างหลังนะการเกินเดินท่อมๆหนก็เลยเรียกผู้ชายลึกลับวันีุ้ณผูดีอบุณมากนะ อืมอถึงนิดถึงนิดถึงสุดต้องไม่ได้ฝึกให้มันเป็นยังไงหรอกฝึกให้เห็นว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาฝึกให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปฝึกให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าจิตหลงยีดีดยร้าแล้วเป็นทุกข์ฝึกให้เห็นความจริงไม่ฝึกจิตใจเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขนะอื แนร้นไปขึนมาขนนที่ไปเมื่อวานน่แกนะไ่ช่ได้านาถึนหมายถึิที่นนเดออสัั้า ดีนะแล้วปิดใจเป็นธรรมดาแล้ว ด, ดูไปจเจริญได้เสื่อมได้อีกนะ่าตกใจนะกาเจริญเราก็สบายใจมีความสุขบางครั้งจิ่ก็พุ้งขึ้นมาได้อีกถ้าใจมันคุงขึ้นมาก็อย่าเกลียดมันเป็นกลางเดี๋ยวมันก็ปรับดีได้ง่ายแต่ถ้าพยายามเกลียดมันพยายามไปสู้มันยิ่งแย่หนากมันองไม่ดี เลือยาไปกเลอกวั้บเนาีมต้าน้ักหรืออะไรแบบนี้คือทของท่องท่อแว่าท่อไปนานมันดย่จมันกบบอัอดีนะรบทไมอย่างนั้นกดีแล้วรอบไปดีเยอะเลยทันดีกว่าเออีก ไม่หาก็สรงต่อดีปริญญาจบีนะปริญญาจบเข้าวัดยงดจริงจริงภาวนาไม่ยากอะไรหรอก้วาไปรู้ทันใจของเรา รู้ทันใจตัวเองบ่อยๆจิตใจเราบางวันมีความสุขบางวันมีความทุกข์เลยเราคอรู้ไปเรื่อยๆเจนเนี้ทั้งเห็นว่าจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันใจเราบางวันก็สบายบางวันสบายมากบางวันสบายน้อยไปดูใจของเราบ่อยๆแล้วจะมีความสุขเยอะเลยเพราะใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูนะมันจะวิ่งไปหาเรื่องเดือดร้อนมา แต่ถ้าเราคอยรู้ทันมันมั น, มนหาความเดือดร้อนมาใส่เราไม่ได้คอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆใจเนี้ยถ้าเราทูเจ้าสอนบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราคอยฝึกคอยรู้คอยดูไปใจิตใจจะได้มีความสุขเยอะๆส่งต่อเลยนาะ <c ười> สมรตากามาชานี่ยทําอย่างเดียวได้สมรติทาโดดๆได้ส่วนนิพพสนานะต้องมีสมรติหนุนหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวการเจริญปัญญาเนี่ยต้องมีสมาธิหนุนหลังตลอดไม่ทําเดียวๆแต่สมาธิทําเดียเด่ยวๆได้ที่ว่า ท, าทําสมรธิทํำยังไง นั ó, <ừ> ่งแล้วอย่าให้ใจซึมนะใจมันซึมเยอะไปนิดหนึงอย่านั่งให้ซึมเรานั่งคอยนั่งดูใจของเราไปนั่งไ่นะสมมติเราหัดพุดโธหรือหัดหายใจหายใจนะเออหัดหายใจอยู่เนี่ยหายใจแล้วมันซึมง่ายหัดหายใจแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราใจแอบไปคิดเคยเป็นไหมหายใจแล้วหนีไปคิดเออให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิด เราก็มาหายใจใหม่หายใจไปแล้วใจซึมๆลงไปนิ่งๆิ่งรู้ทันว่าใจเราซึมใจเรานิ่งหายใจไปแล้วใจฟุกงป้านหรือว่าฟุ้งป้านหายใจเรามีความสตกหรือว่ามีความตกสรุปแล้วก็คือหายใจเพื่อจะคอยรู้ใจของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ทําได้ไหมอย่างเนี้จะเป็นสมถะที่เป็นพื้นฐานที่จะเอาไปทําวิปัสสนาได้เวลาวิปัสสนาเราทําวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้เจตนาในทำหรอกไม่เหมือนสมถะนะ สมถาต้องเจตนาทำแต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้เจตนาสติเกิดขึ้นเองแสติเกิดขึ้นเองแล้วมันเห็นกายเห็นใจตรงความเป็นจริงไม่ได้เจตนาจะเห็นด้วยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวด้วยมันรู้สึกได้เองเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้จิตจำได้เพราะเราหัดดูเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะหายใจไปแต่หนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไปรู้ทันใจของเรา ฝึกอย่างนี้นะแล้วมันจะขึ้นวิปัสสนาได้เองหลวงพ่อนะครับอนาปน า, าสติตั้งแต่เจ็ดขั้นะฝึกอยู่ยี่สิบสองปีได้แต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไปมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองทิตแรกก็ดูๆๆจนทิ้งสมถะไเลยลืมสมถะจิตใจฟุ้งตั้งดูได้ไม่ดีหรอกแล้วต้องกลับมาทำสมถะนิดหน่อย พอ จ, จิตใจตั้งมั่นขึ้นมานะคอยรู้หายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจเองเรื่อยๆพอหายใจแล้วรู้ทันใจจนชำนาญต่อมาพอมาอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเนี้ยสติต้องเกิดเองเช่นใจลอยแวบบรู้สึกแล้วว่าใจลอยโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธมันจะรู้เองนะไม่ได้เจตนาดีแล้วฝึกไปแต่อย่าซึมนะแต่จะซึมไปนิดหนึ่งอ๋อตีนนี้ถามอะไรอ่าว่ามา เออมันอยากหายไหมเอออยากหายโกรธไม่หายโกรธหรอกถ้ารู้ว่าโกรธเฉยๆนะมันหายเลยแต่ถ้าพอโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแล้วอยากให้หายเร็วๆนะไม่หายเนี่ยกิเลสมันชอบแก้งเรา <c ười> อะไรนะ รูกสาวว่าอะไรฟังไม่หรอกออทำอะไระาเอ่ออะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาอยากกินขนมรู้ว่าอยากกินขนมนะเวลาอยากดูการ์ตูนก็รู้ว่าอยากดูการ์ตูนความรู้สึกอะไรเกิดในใจเราคอยรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยอายุเท่าไหร่อะไรเอเล็กมากหงพ่อมีลูกสิดหนึ่งสิบเอ็ดขวบตอนนาเก่งนะ คนแบบผู้ใหญ่เฉลนเลยเวลามันมาเนี่ยนะขอไม่ใช้ใหม่ด้วยอยู่ข้างหลังๆก็เก่งดังกล้าหาญรายงานชัดๆชัดๆชดเห็นสภาวะนู้นเห็นสภาวะนี้นี่ก็เก่งแปดตัวเห็นได้อย่างนี้เก่งนะถ้าส่งมาคนนี้ากเรียนเ่อนากจะทำอะไรก็ทำีก็ ถ้าใจนิ่งมนะเหน่ยบายขี้นหรือเาน่งหลายๆวัน่อนานๆถูกอกจะแต่ว่าเข้าไปแช่ไว้แต่ถ้ามันสงบนะแล้วก็คล้งซ่านคล้งซ่านแล้วก็สงบอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าสงบรูปเดียวอนพยายามเปลี่ยนอรเปลี่ยน่าดเปลี่ยน ดูมาหรือดูการก็จะไม่ผินี่มันติดนี่อย่างตอนนี้มันก็ยังไม่เหลวเบลเบลไหมม่มีตัวหนึ่ ง, งยื่นพื้นอยู่ตัวนี้ติดมันจากการทาําสัมผัสอย่าเริ่มจากการบังคับตัวเองการปฏิบัติอย่าไปเริ่มจากการบังคับเราแค่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยตามดู อ, อ, อย่าจงใจไปรู้ไว้ก่อนถ้าพยายามจะรู้ไปดักไว้ก่อนอะไรเนี้ยจะซื่อขึ้นมา อยไปดักไว้ก่อนนะให้ตามรู้ว่านี่นแหละเลิกเลิกแก้ชั้นลองพยายามแก้แนละ้วแก้ไม่ตกอะ่ะเลิกแก้ซะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ดู้ได้ใจที่เป็นกลางอย่าถล้ำลงไปในการรู้ดูอยู่ห้างๆดูแบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียดูแบบไม่มีส่วนได้เสียถ้าดูแบบมีส่วนได้เสียเนี่ยจะเข้าไปเอาบ้างจะเข้าไปดักกันบ้าง หรือจงใจจะไปดูเจ้งมากไปเจ้ามากไปนะลดความพยายามลงนิดหนึ่งให้มันง่ายกว่า น, นี้เกือบดีแล้วล่ะแต่ว่ายัางเกินอยู่นิดหนึ่งนึงกออกไหมนัม่นแหละมันมีมันมีตัวที่คอนเป็นบังคับไว้นิดนึ่งต้อีเมีอนกช่น กิเลสพาไปหรือทากิเลสไปงวาตามดูครเขียนข้อใดเนี่ยคะก็คือบบว่าหมเลือกทีะนสิ่งีดไเปไรอยาให้จิตเปลนหน้าแล้วก็แล้วแล้วก็อย่าเพิ่งจะมาคิ อยากอยากให้สงบอยากให้สงบไม่นแน่นไม่สงบต้องดูเล่นๆเคล็ด ล, ลับของการทําสมาธิต้องสบายนะต้องสบายเคล็ดลับของการทําวิปัสสนาต้องรู้ักมาจากความคิดสมาธต้องสบายถ้าสบายแล้วใจสงบ ม, ม, มีความสุขแล้วถึงจะมีความสุงบคนชอบดับข้างนะที่ว่าถ้ามีความสงบจะมีความสุข แท้จริงความสุขเป็นเห็ุไห้เกิดสมาธิเพรนอย่างเราบางคนอ่านยายวิยญาณเมื่อวานที่ไวพูดอ่านเพชรตังมามีความสุขมีสมาธิในการอ่านนะจิตใจจดจ่จจอตั้งมั่นอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนดูไปเรื่อยๆอยา่าไปบับงคับมันเลยบังคับไว้หน่อยเลยคนสุดท้าย อะไรนะหลงแค่หลังเกิรรนรู้เรื่องาเรานะาเรรต่หลวงพ่อตังค์าฝ่าเนี่ก็มันมีความตกก็รู้ว่ามันมีความตกไปหลงลงักตอเนี่ยกำลังหลงนะ เริ่มไม่ไม่นุ่มแล้วรู้สึกไหมเริ่มแข็งแล้วเ <sh arp> นื่อหัดดูไปอย่างนี้แล้วก็ไปอา่านหนังสือต่อไปอา่านหนังสืออะไรลุงพ่อจะได้ไปอา่านบ้างอ๋อลพ่อจะได้ไปอ่านตักลุงพ่ออ่านแล้วจะได้นุ่มๆมื่จไปานเรื่องเรื <sh arp> ่อ้าจิตที่นุ่มนุ่มอ่ะนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่แข็งแข็งแล้วกษษ็กุศลก็เริ่มอ่านต่อไปถ้าหมดแล้วยัง แต่ว่าเลยนี่จะเรอเขาที่่วการเรรมที่ที่เดก็รู้ว่าิต่เที่อของเรานั้นทา่้คิดะต้องห้ามันต้งห้าวก่อนคือขั้นแรกนะต้องคือศีลห้ากนศีลห้าเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่บของมนุษย์ งั้นจิตมันจะคิดอกุศล น, นะถ้ามันไม่ได้หรอกมันจะคิดแต่ว่าเราไม่ทําเราไม่ให้อกุศลนั้นล้นออกมาทางกายทางวาจาได้เสร็จ แ, แล้วเราก็ไปเรียนรู้อกุศลไปอกุศลนี้เกิดขึ้นมานําความทุกข์ความเล่าร้อนมาได้รู้สึกไหมอกุศลมันบังคับใจเราเป็นทุกข์ใจเราเล่าร้อนให้ค่อยๆสังเกตไปจะเห็นเลยถึงจุดหนึ่งเลยจะเห็นเลยว่าจิตใจที่เล่าร้อนก็เป็นของที่ถูกรู้ถูกดู อะไรๆก็เป็นของถูกรู้ถูกรู้ทั้งหมดเลยกิเลสก็เป็นของถูกรู้ถูกรู้อันนี้พอรู้สึกไหมหัดดูไปอะไรๆก็ถูกรู้ไม่ดอกถ้ารู้จริงๆเนี่ยให้รู้ที่ใจเรานะ <S <S จนกระทั่งกิเลสกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันตอนนี้ไม่ต้องห้ามนะเพราะมันไม่ทำเองเราติดสีท่าไว้ก่อนแล้วก็เรียนรู้กิเลสไป เป็นรู้ว่ากิเลสก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่ง่องอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นรู้ไปเรื่อยๆจนมันหนึ่งมันแยกกันทีะอย่างีิผู้กมลงปีแ้้ปฏิบัติมันไปนทำแต่สมาธิมันเป็นสมาตาดังนนใจเราจะตั้งมั่นได้ง่อยหลวงพ่อถึงสอนรอกว่าให้มีคนหนึ่งเป็นคนรูไว้ เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นของที่ถูกจิตรู้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเราอยู่ต่าหาความตุกความทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตอยู่ต่าหากิเลทั้งหลายโลบเกลีดหลงตั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาให้จิตรู้นจิตอยู่ต่างหาฝึกไปได้่อยนะให้จิตอยู่ต่าหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราฝึกเอี่ยงนี้ได้ตั้งแต่ว่ามีสมาธิหนึ่งหลันทางใครทางมันนะคนอยู่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวกรรมฐานปั่นป่วนไปหมด แต่และคนปึุงไม่เหมือนกันไม่มันมีสมรรถะยืนพื้นอยู่แล้ะแั้นเราก็ทุกวันก็ทําสมรรถะนิดหน่อยเช่นหายใจหรือหายใจหรือพุดโธไปหายใจไปแล้วก็ค่อยรู้ผันใจใจฟุ้งต้านก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงคอรู้หัดอย่างนี้ในที่สุดเราจะเด็ดเลยโลโรคปวดหลงฟุ้งต้านกโพธูอะไระของที่ถูกรู้หมดเลยไม่ใช่จิตแอก ต่างคนตา่ตนต า, นต า, ตนางอยู่กับจิตเพรามันต่างคนต่างอยู่กับจิตนี่มันบังคับจิตนี้ได้หมันครอบงำไม่ได้มันจะไม่มีสิ่งรวมทั้งหมดเลยแต่อภิสุทธิ์แรงไม่เข้ากันโกหกมีโทษเื้อะสอบเสียดก็โทษเื้อะ พูดเฟิร์เจอร์พูดคำหยาบเนี่ยโทน้อยลงมหนอะพูดเฟอร์เจอร์โทษน้อยลงเป็ น, นะนมนันไม่เท่ากันแต่มีโทษอยู่ในอักูสนกจำมาบทสิเลยเอสมมติว่าเาโกรที่เาเคยาดารธราทอใจไม่ได้ราโกรทไม่หา็ใจไม่ได้ก็ทใจไม่ได้กดด่ามนะันเสร็จแล้วก็จะรู้เลยโอ้เสีย เสียพลังงานคือคนมันที่มโมโหห้ามมันไม่ได้แต่ว่าให้คอยรู้ทันใจไว้ทุกครั้งที่มโมโหนะคนแรกที่ทุกข์คือเราเองรู้สึกไหยโมโหขึ้นมาคนที่หนึ่งเลยที่มีความทุกขนะ์นั่นคือเราเองแหละแต่ละคนน่ารักตัวเองที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่ากิเลสเกิดแล้วตัวเรามีความทุกข์นะมันจะไม่คว้าเอากิเลส หมายถึงว่าอย่างแต่เดิมเราโกรธเนี่ยเรามโแต่ดูคนที่เราโกรธเราเป็นนี้เวลาโกรธนะให้มาดูตัวเองมาดูซิใจที่กําลังโกรธเนี่ยมีความสุกหรือมีความทุกข์ดูอย่างนี้นะเวลากโกรธยะโมแต่ดูคนอื่นให้มาดูใจตัวเองว่าตอนเนี้มันสุขหรือมันทุกข์ดูอย่างนี้คนอื่นไม่เกี่ยวนะกรรมาฐานมันเรื่องเฉพาะตัวเดียวพากันดูเรื่อยๆไปหมดแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำได้ไหมเห็ไหมเพราะว่าง่ายเรียนง่ายๆยานี้เชื่อหลวงพอ่อกรรมาฐานงาน่ายแล้วไม่ต้องเรียนเยอะถ้าเราคี้โมโหเราก็ดูไปเลยใจมโมโหเราก็รู้นะดูสิโมโหแล้วมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อย่างนี้เดี๋ยวขึ้นปมีขี้เกียจโมโหหลวงพรู้เรื่องนี้ดีเพราหลวงพอ่อขี้โมโหเมื่อก่อนนะเดินเดินเป็นหมามาหาหลวงพนะ่อน่ะหันไปมองนะมันอยู่ในรั้วบ้านมันแท้ๆนะตัวใหญ่ๆหางสุกพ้นเลย ดูด้แสดงว่าหน้าตาเราโหดเที่ยมอามาหิดมากเลยจนหมากลัวเดี๋ยวนี้ไล่นกกระจอกยังไม่ค่อยไปเลยวันนี้พอตกคดเชินกลับบ้าน